ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องอากังคยสูตรในช่วงต่อไปอากังคยสูตรแปลว่าประสูตรที่ว่าด้วยความหวังซึ่งก็เป็นผลที่คนต้องการแต่ผลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นมาได้จากเหต ในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงผลก่อนและแสดงเหตุทีหลังซึ่งเนลักษณะเดียวกับทุกแล้วก็สมุทยัยหรือกนิโรธกับมรรคคือแสดงผลแล้วก็แสดงเหตุความทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุในที่นี้ก็ทรงแสดงผลในเชิงนิโรธนั่นแหละแต่ว่าเป็นระดับที่ลดหลั่นลงมา ลดหลั่นขึ้นไปนะฮะคือหมายความว่าผลในช่วงแรกผลเจ็ดระดับแรกก็ไม่ใช่คือแปดระดับแรกก็ยังเป็นโลกิยะคือหมายความว่าภพชาติจะประนีขึ้นไปเรื่อยๆมีปริมาณของกุศ ล, ลการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ภูมิจิตสูงขึ้นภูมิธรรมสูงขึ้นพบที่ไปบัติก็มีความประนีตขึ้นพูดไปจนถึงอรูปประพบข้อที่สี่แล้วพอมาถึงระดับที่เก้าคือความหวังระดับเก้าก็เป็นการพูดถึงผลระดับเป็นระสดรบันซึ่งก็มีลักษณะเด่นได้แก่ ความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามเป็นผู้ไม่มีการตกต่ำเป็นธรรมดาคือกิเลสที่รับไปแล้วจะไม่เสื่อมแล้วก็จะเที่ยงต่อพระนิพพานคือจะมีการบรรลุธรรมระดับอรหัตตมรรคเป็นอรหัตตผลอย่างช้าที่สุดก็เจ็ดชาติ แล้วก็ไม่เกินเจ็ชาติแต่อาจจะชาติเดียวสองชาติสามชาติก็แล้วแต่วรรประสงคบันก็มีอยู่สามประเภทเรียกว่าเอกพีชี P C, คือมีพืชเพียงชาติเดียวกลังโกละก็เรียกว่าสองชาติแล้วก็สตักตะตุปธรมะคืออย่างยิ่งก็ไม่เกินเจ็ชาติเรียกว่ามีเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก อาจจะสามสี่ห้าหกแต่ก็ไม่เกินเจ็ดในความหวังระดับที่สิบนั้นก็เป็นผลระดับสักกาคามีผลคือเป็นผลระดับที่ทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นพระนาคามีซึ่งก็ละสังโยชน์สามดังกล่าวได้เด็ดขาดแล้วก็ทำราคาโทสะโมหะให้เบาลงหรือเบาลงขนาดไหน ก็เบาลงในระดับที่ยังไม่เคยพบตัวอย่างพระสะการาคามีมีครอบครัวก็แสดงว่าการมราคามันจางลงไปมากจนไม่มีจิตดำริที่จะเสพกามพอมาถึงพระนาคามีก็ขาดไปเลยแต่ตัวเหตุจะทรงชะเหตุเดิม คือเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบทาเครื่องระ ง, งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทําชานห็นห่างประกอบด้วยวิเ ป, นเปนสนาแล้วก็เพิ่มภูนสุญญาคารคือการอยู่ในสถานที่ที่สงัดเงียบจากเสียงรบกวนต่อไปเป็นความหวังระดับสิบเอ็ดจึงถ้าหากว่าท่านฟังที่คุ้นเคยกับพระไตรปิฎกเจะเห็นว่าจริงๆมันก็แนวสามัญญผนสูตร หรือแนวสังคารูปรปฏิสุทธิ์มีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับมีการบรรลุโดยลำดับพูดเป็นลักษณะคล้ายๆขึ้นบันไดหรือบางทีก็พูดถึงในลักษณะลุ่มลึกลงไปโดยลำดับก็แล้วแต่แล้วแต่จะพูดแนวขึ้นสูงหรือว่าแนวลึกลงไปในข้อที่ 11นั้นบอกว่าจะเป็นโอปปาติกัสัตว์คือหมายความว่าจริงๆระดับพระโสดาบันก็เป็นโอปปาติกะส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าอาจจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะว่าบาลีท่านบอกว่าเดวะมนุษย์เสสุสังสันตุคือท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์แต่ก็ยังไม่พบตัวอย่าง คนที่เกิดมาและเป็นปะสะดาบันเลยที่จริงท่านเหล่านี้เป็นปะสะดาบันเลยนะครเพียงแต่ว่าเป็นสภาพจิตของท่านไม่มีใครรู้ก็เป็นเรื่องที่ท่านรู้ด้วยใจจิตของท่านเองในข้อที่11รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นโอปปาติกัสัตว์คือเป็นการผุดเกิด มีรูปที่สำเร็จในทันทีทันใดคือเป็นวินญูชนที่สำเร็จสมบูรณ์ในทันทีทันใดเวลาตายก็อันตรธานไปเลยเวตายจะไม่ทิ้งซากเอาไว้ก็เป็นเรื่องทั้งทั้งหมดที่จริงก็ทั้งเปรตทั้งอสุรกายทั้งสัตว์นรกทั้งพวกเทวดาทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างนั้นคือตายก็ไม่ทิ้งซากเอาไว้เพราะเป็นโอปปติกะกาเนิด ก็แสดงว่ากรรมที่เป็นเหตุให้เป็นอุปปาปิกะมาอาจจะเป็นอกุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้แล้วก็ประนีขึ้นไปเรื่อยๆในชั้นนี้ก็พูดระดับพระนาคามีบอกว่าเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยาสังโยชน์ห้าโอรัมภาคิยาสังโยชน์นั้นก็คือสังโยชน์เบื้องต่ํามันเป็นการเทียบเคียงระดับระหว่างสังโยชน์กับสังโยชน์นะฮะก็มีเบื้องต่ํากับเบื้องสูง ก็เป็นจัดประเภทเอาไว้ว่าถ้ายังละสังยุตเบื้อนต่ําเนี่ยยังไปสู่ภพต่างๆก็ไม่น้อยกว่าหนึ่งชาติแต่ถ้าละสังยุตเบื้อนสูงได้เป็นชุดเลยนะทั้งชุดคือห้าข้อเนี่ยเขเรียกบรรดับกรรมดับกิเลสดับกิเลสดับกรรมดั บ, ด บ, ด บ, ดบชาติดับภพบไม่ปรากฏเป็นรูป อย่างได้อย่างหนึ่งอีกต่อไปเพิ่มก็เป็นการเพิ่มสังโยชน์ขึ้นอีกสองข้อก็คือการมราคาจิตกำหนัดด้วยอำนาจของกิเลสการามในวัตถุกรรมทั้งหลายซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามองถึงสภาพจิตมันก็ไม่ใช่เป็นพวกวัตถุกรรมที่ชาวบ้านเขาพอใจละแต่ว่าจะเป็นวัตถุกรมที่ประณีต ตลอดถึงพวกรูปชาิและกับปฏิฆะเป็นความไม่พอใจความรำคาญคือไม่ถึงก็โทสะแรงๆแบบชาวบ้านอาจจะรู้สึกรำคาญรู้สึกไม่พอใจเล็กๆนะทั้งลาได้หมดทั้งสองอย่างและคุณสมบั ต, ติต่อไปก็พึงประนิพานในพรหมโลกนั้น ตัวนี้เป็นสุดทาวารแปว่าเป็นที่อยู่หรือเป็นดินแดนของผู้บริสุทธิ์จากสังโยชน์ทั้ง5ประการดังกล่าวพรหมโลกก็คือเป็นรูปประโภคนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าอาวิหารตปาสุทัสสาสุทัสสีอากานิฐาแต่ความลองสังเกตเรามีห้าข้อมันเป็นการเรียงตามความเข้มข้นของอินทรีห้า เกิดศรัทธาก็เกิดในสุธาวัตชั้นหนึ่งสตินสีแก่กล้านะครับวิริยินสีแก่กล้าก็สุธาวัตชั้นสองสตินสีแก่กล้าก็สุธาวัตชั้นสมน่ะสมาธินสีแก่กล้าก็ชั้นสี่แล้วก็บรร ญ, ญสีแก่กล้าก็ชั้นห้าแล้วก็มีรายละเอียดอีกเยอะแล้วท่านก็บอกว่ามีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเดถิดพระนาคามีจึงแปลว่าผู้ไม่มา คือไม่มาสู่โลกนี้แล้วมันก็ใกล้ๆกับลักณะอนาคตนะ่ยอนาคตคือไม่ได้มาแล้วมันไม่เคยมาเลยอนาคตพอมาถึงมันเป็นปัจจุบันทุกทีเช่นพรุ่งนี้บอกว่าเป็นอนาคตพอรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจุบันมันเป็นวันนี้เพรจริงๆตัวอนาคตเราไม่ได้สัมผัสเราสัมผัสมันก็เป็นปัจจุบันเพราะนั้นคำบาลีที่ท่านใช้และท่านเรียกเนี่ย มันให้ในิย่แห่งธรรมะคือมันแสดงถึงสภาวธรรมในเรื่องนั้นๆอดีตอติตะเราเป็นไปแล้วล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วผู้จริงๆก็คือตายแล้วไม่มีโอกาสฟื้นเลยแล้วก็ปัจจุบันแปลว่าเกิดขึ้นเฉพาะหน้าพอปัจจุบันจริงๆเป็นขณะขณะขณะขณะขณะก็ที่ยิบเนี่ย นอนาคตาเรื่องอนาคตเนี่ยแปลว่ายังไม่ได้มาแล้วมันก็ตามไปนึกถึงคําหนึ่งที่เวลาเขาปลุกระดมนะฮะพวกอะไล่ะเอโอทั้งหลายที่ปลูกระดมในแต่ละคราวไอหิงสาโหสิอหิงสานะเนี่ยแปลว่าไม่เบียดเบียนนะครับอโหสิแปลว่าไม่ได้มีแล้วคือการไม่เบียดเบียนนั้นไม่ได้มีแล้วก็แสดงว่ามีการเบียดเบียน เอามาจากไหนก็ไม่รู้อย่างตลกเอามาพูดควบ ก, กันอยู่ได้แล้วก็แสดงว่าตัวเองไม่เบียดเบียนแต่เผาทำลายบ้านเมืองทุกที่นะฮะอิงสาโหสีนี่พวกอิงสาโหสีทั้งหลายนี่เผาบ้านเผาเมืองทุกที่แต่ประกาศว่าอิงสาโหสีโดยความเข้าใจกับพวกเธอเข้าใจว่าตัวเองไม่เบียดเบียนแต่ว่าคําที่พูดเนี่ยมันไปเสด็จการไม่เบียดเบียนว่าไม่ได้มีแล้วก็คือมีการเบียดเบียนนั่นเอง ผลพฤติกรรมก็งเธอที่จริงก็ถูกต้องนะเพราะเธอกำลังเปียดเบลี่ยนแล้วก็ประการต่อไปก็คือว่าเหตุส่งแสดงเหตุบอกว่าภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบทำเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำชาณเหอนห่างประกอบโลยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญญานารเหมือนเดิมทุกคำเลย ในชั้นที่สิบสองเนี่ยเป็นการพูดระดับอีกระดับหนึ่งครับคือเป็นคุณสมบัติเพราะคุณสมบัติเหล่านี้มันก็มีได้ทั้งที่เป็นโลกิยะและก็โลกุตระต่อทรงเขาเรียกว่านิเทศนิเทศแห่งอภิญยาคือคุณสมบัติของประหันนั้นเขาเรียกว่ามีวิชาสาม มีอภิญญาหกมีปฏิสัมพิทาสี่ตอนนี้ก็พูดเรื่องอภิญญาก่อนแต่อย่าลืมว่าอภิญญานั้นเป็นผลที่เป็นโลกิยา ก, ก็ได้โลกุตระ ก, ก็ได้ถ้าความีห้าข้อแรกมีเฉพาะห้าข้อแรกโดยไม่มีข้อที่หกก็สรงขยายนะฮะบอกว่าก็อยากให้ฟังนิเทศของอภิญญาที่พระเจ้าทรงอธิบายเอง แล้วก็พวกเราเวลาเนี้ยบางทีก็อธิบายไปก็เตลิดไปก็ว่ากันเองคืออย่างที่บอกนะว่าคนเราต้องเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นักเผยแพ่ธรรมะจะต้องมีความสำนึกว่าเรามีหน้าที่เป็นราชทูตอ่านราชสารเท่านั้นอย่าไปพลิกแพปลงอย่าไปอวดดีอย่าไปว่าวเอง เป็นเรื่องที่พเจ้าทรงรับผิดชอบมันทรงรู้ด้สัพพัญญุตญาณและเป็นการทรงแสดงตามที่ทรงสัมผัสทิ้งตรงนี้มีอยู่ภายในพระไทัยของพระองค์ก็สะท้อนจากพระทัยว่าลักษณะเขาเป็นยังไงอาการก็เป็นยังไงผลที่เกิดขึ้นกัจิตเป็นยังไงผลที่เป็นรูปธรรมมันเป็นยังไงก็ทรงอธิบายอย่างนั้นรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงบรรลุอิทิวิธิหลายประการอิทธิวิธิคือแสดงฤทธิ์ได้นะไอ้ น, นี่เป็นเป็นทางกายเลยหมายความใช้ากายแสดงเลยอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงยมกปฏิหารเนี่ยเราจะเห็นว่าก็ใช้ทั้งสองอย่างคือใช้ทั้งมโนมยิทิทั้งอิทธิวิธิส่วนที่เป็นมโนมยิทิก็คือทรงแบ่งภาคพระองค์ออกไปเป็นห้าองค์ แต่การกระทําเราอื่นก็เป็นอิทธิวิธิเช่นมีน้ําออกมาด้านหนึ่งมีไฟออกมาด้านหนึ่งอะไรแต่ไรเนี่ยมันเป็นพวกอิทธิวิธิเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นพวกอจินไตคือเราคิดเัาเองไม่ได้มันเป็นสัมผัสตรงกับท่านเหล่านั้นไม่มีคําตอบเป็นธรรมดาของท่านผู้มีฤทธิ์เป็นธรรมดาของปลาที่ว่ายน้ําได้เป็นธรรมดาของไก่ที่ออกจากฟองแล้วก็เดินได้ เป็นธรรมดาของนกที่บินได้เนะี่ยเป็นธรรมดาของไส์เดือนที่อยู่ใต้ดินได้มันเป็นธรรมดาของเขาอะแล้วก็สัตว์บางชนิดเช่นวงหมีเนี่ยเป็นธรรมดามันกินอาหารสต๊อกอาหารไว้เต็มอิ่มแล้วก็อยู่ได้เป็นเดือนเดือนโดยไม่ได้กินอะไรเลยมันคืออะไรก็คือธรรมดาของเขามันเป็นกฎเป็นกฎธรรมชาติของเขาเพราะแต่เราข้าใจในกฎเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องเฉพาะท่าน เราไม่มีสิทธิ์อะไรจะค้านนะมันไม่ใช่เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ว่าเป็นสัมผัสตรงส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อแต่เป็นเรื่องสัมผัสตรงหรือคนจะเชื่อหมดก็เป็นอย่างนั้นนหะคนไม่เชื่อหมดมันก็เป็นอย่างนั้นนหละหรือความเชื่อหรือไม่เชื่อของคนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณลักษณะของอภิญญาเรานะั้น เพราะในแนวของอิทธิพิธิเนี่ยส่งแสดงว่าคือคนเดียวพึงเป็นหลายคนก็ได้อย่างพระจุลปันธุกเนี่ยท่านแบ่งตัวเองเป็นพันแบ่งตัวเองเป็นพันเพราะแนวเ่านี่ยเราจะเห็นว่าในแนวสยศาสตร์ในแนวพวกคุณไสยต่างๆเนี่ยเขาก็เล่นได้เป็นหุ่นเป็นพยนตร์ต่างๆเนี่ยเขาก็เล่นกันได้เป็นพวกอะไรพวกคันธารีทั้งหลายเนี่ย แล้วก็อะไรมายาวีพวกมายาวีเขาก็ทาได้นะหลายคนพึงเป็นคนเดียวก็ได้หลายคนเป็นคนเดีย ว, ลยนนยวแล้วก็ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ตรงนี้ทางฟังลองสังเกตว่าพู้เจ้าทรงใช้ตั้งแต่แสดงอนุบุพิกถาที่สัตสีแกพระยาศะกับบิดาคือตอนแสดงแกบิดาเนี่ย ทำให้พระยศหายไปทั้งทั้งที่นั่งตรงนั้นเองคือไม่ปรากฏแก่สายตาของชนเศรษฐีผู้บิดาแต่พระยศเขาตั่งอยู่ตรงนั้นเพรอท่านเศรษฐีบรรลุโสโดาปฏิผลก็หันมาเรือเอาเจอลูกชายนั่งอยู่ต น, นั่นเองพระเจ้าก็คขายฤทธิ์เพราะในแนวที่ทรงทรมานพระองค์ลิมาเนี่ยท่านเรียกว่าอิทธาภิสังขารก็ใช้อิทธิฤทธิอย่างเงี้ย แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นมโนมยิทธิหรืออิทธิวิธิเพราะอะไรเพราะว่าระยะทางนี่มันห่างกันมาก อ, องคุริมานนารวาสอยู่ตั้งร้อยห้าสิบยดจากประเชศตวะวันในพระเจ้าก็ไปปรากฏพระองค์อยู่ตรงนั้นได้แล้วก็นำพระอรุงคุลิมานกลับมาที่ประเชศตะวันได้ ได้ทันการเฝ้าของพระเจ้าปรสิทธิ์ในกุศลซึ่งเป็นระยะเวลาแล้วก็เป็นชั่วโมงนะนะตืระยะทางร้อยห้าสิบโยชนี่มันเป็นไปไม่ได้ก็แสดงว่าใช้ลิตอาจจะใช้ควบทั้งสองลิตก็ได้เพราะท่านใช้คำว่าอิทาพิสังขารแล้วก็หายไปก็ได้หายจากที่หนึ่งไปปรากฏในที่หนึ่งก็ได้ตรงเนี้ยในแวดวงพระอราหารันต์เนี่ยท่านทำเพราะว่า มันไม่ใช่เหาะแบบความเชื่อของแขกแขกเราจะเห็นว่า เ, เทวดาแขกมันจะเหาะลอยไปในก้อนเมฆเลยแต่อกทธิพิธิไม่ใช่อย่างนั้นมันอันตรธานไปจากที่นั้นเลยแล้วเป็นปรากฏในที่ไหนก็ได้ดีใไกลยังไงก็ได้หล้วจากความเชื่อตรงนี้ในตำนานของเราก็ดีนะของพม่า ก, ก็ดีของลังกาก็ดีของเราของกัมเมนก็ดี เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จแล้วทั้งนั้นคือสําหรับสถานการณ์โลกยุคนั้นนะ น, นะไม่มีเครื่องบินพนระเจ้าไปมาปุ๊ปบปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยแล้วก็แสดงว่ามาด้วยอิทธิฤทธิอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าทะลุฝากําแพงภูเขาไปได้ไม่ติขดขันะการทะลุภูเขาก็าไปเนี่ยพระโมคคัลลานะท่านเคยทํานะฮะ ตอนพระเจ้าแสดงยมกปฏิหารเนี่ยท่านเข้าไปในแผ่นดินในภูเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นห้องกระจกที่คนมองข้างนอกเห็นท่านดูบมาว่าเหมือนกระเส้นได้ที่ร้อยไปในแก้วมนันีได้แดงท่านบอกเหมือนได้แดงที่ร้อยไปในแก้วมนันีคือคือคือคนมองเห็นจากข้างนอกแต่ยังไม่อยู่ข้างในอันนั้นก็คือแนวอิทธิวิธิ ใน ท, ที่วิธีมันเกิดขึ้นจากพวกกระสินนะโดยเห็นว่าในกรณีนี้ก็คือเพ่งปฐวีกระสินเป็นวายโยกระสินคือเพ่งดินเนี่ยเพ่งถาดดินให้เป็นธานตุลมตอนนั้นมันก็เป็นลมเป็นช่องว่างที่ท่านไปได้แล้วก็บอกว่า ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้พึงผุดขึ้นพึงดำลงแม้ในแผ่นดินในแผ่นดินนะฮะในแผ่นดินนั้นเราเห็นว่าถ้าผุดขึ้นดำลงก็หมายความว่าก็ใช้เพ่งดินให้เป็นน้ําใช้ปฐวีกสินเป็นวายโย เ, เป็ น, เ ป, นเป็นอาโปกสินหรืออาจจะเป็นวายโยกสินนะฮะเพราะว่ากระน้ําก็น้ำมันไม่เปียกอะเพราะน้ําที่สําเร็จฤทธิ์ไม่ไม่ใช่ทาให้เปียก แล้วก็พึงเดินไปบนน้ำถ้าเดินบนน้ำก็หมายความมาเพ่งน้ำเป็นดินพึงเดินในบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เข้าไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูกครัมประจันประอาทิตที่ซึ่งมีฤทธิ์เมนุภาพมากโดยฝ่ามือก็ได้ใช้หน้าทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ตอนนี้พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ท่านไปนะฮะอย่างทรมานพรมที่ในบทสุดท้ายในบทที่แปดของพุทธชัยมงคลกาถาเนี่ยที่พรมก็ต่อต้านหลักอนิจจตาของพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไปทรมานถึงพรหมโลกก็มีพระาหาันตามเสด็จไปที่หลังทั้งเยอะแต่นึกจะไปท่านก็ไปทีนี้พื้นพื้นฐานเนี่ยพื้นฐาน คืออย่าลืมมานิเทศตรงนี้เป็นเาเรียกว่านิ ป, ปรายายเป็นอย่างนี้ทุกทีเราจะไปอ่านที่ไหนก็ตามถ้าเป็นนิเทศของอิทธิวิธิคือเป็นอย่างนี้นิเทศก็คือการอธิบายการแสดงอาการอาการของอิทธิวิธิจะแสดงอย่างนี้แล้วใครแสดงก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระหันหรือพระพุทธเจ้า เขาเรียกว่านิ ป, ปริยายคือลงตัวทุกทีคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับชาติความเกิดเป็นทุกข์ชาความแก่เป็นทุกข์ ห, หน้าความตายเป็นทุกข์ความสุขความร่ไรวํา้ำพันความทุกข์ความความเสียใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นนิ ป, ปริยายอมันเกิดที่ไหนก็ตามใครจะเกิดมันกี่คนก็ล้วนแต่แกจะตายทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่ย อันนี่คือเป็นปกติปกติของท่านมันเป็นสภาวธรรมเป็นผลสภาวธรรมสภาวะธรรมระดับผลซึ่งเกิดขึ้นมาจะเหตุเพราะถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าทำไมเราทำไม่ได้ล่ะปัญหาว่าเหตุมันมีหรือเปล่าล่ะเหตุที่ทำได้เนี่ยคือจิตมันต้องเป็นกรรมนิยยาคือใช้งานได้มันจะมีวสีเขาได้ชํานานชานานในการเข้าฌานในการออกฌานในการอยู่ในฌานในการพิจารณาฌานในแตอะไรต่างๆท่านชํานาญมาก ไปด้วยอัตโนมัติเลยแล้วก็เหมือนกับเราํานานอะไรเนี่ยเช่นจำนานสูตรคูณอะไรต่างๆเห็นปั๊บก็บอกได้ปุ๊บเลยบอกโจทย์ได้ปุ๊บเลยบอกคําตอบได้ปุ๊บทันทีแต่ต้องจำนานเพราะในไอการบริกรรเพื่อเพื่อเหตุเพื่อผลอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่เรื่องงา่ายหรือกว่าจะทําแต่ละอย่างได้อย่างได้เนี่ยแต่ทําทแล้วท่านก็ไม่ค่อยใช้ ถ้าใช้ก็ใช้ผสมกลมกลืนฮะผสมกลมกลืนเราจะพบว่าในช่วงแรกๆเนี่ยพูดถึงพรรษาแรกที่พระเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าพระเจ้ายังหนุ่มมากนะฮะพระพรรษาแค่สามสิผ้าเต็มสามสหกต้นๆเป็นคนยังหนุ่มมากๆพระเยซูสามสิบสามนะฮะพระพุทธเจ้าเราสามสิบ แต่ไม่เรื่องนี่น่าแกหน่าสังเกตเรานึกภาพพระศาสดาที่มีพระพันษาแค่สามสิบหกทึ่งนะอาศาัศจรย์แล้วก็ตื่นเต้นนะถ้าเรานั่งจินตนาการนึกถึงภาพตรงนี้แล้วจะตื่นเต้นมากเลยว่าท่านทำงานสำเร็จได้ยังไงในสภาพเป็นล้อมของพวกฤษีหนวดงอกเนะี่ย นักปราดราชบัณฑิตมันเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็จับที่ตัวระดับส่วนยอดของสังคมทางนั้นเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อายุแก่กก็ยังนึกว่าคนยรุ่นราวคราวเดียวกับพุทธเจ้าเนี่ยคือพระยาาัดสะกับพวกพระพัตตวคีพวกวิมาลราสุภะุปุนาชีกบรมปฏิแถวเนี้ยนะโพสหายประยัดสาเนี่ยพวันพระหรรันรุ่นแรกเนี่ยถ้าเรา ไม่นับพระปัญญยคีก็ก็น่าจะรุ่นร า, ราวคาลเดียกับพุทธเจ้าปัญโยคีนั่นแก่กว่าปุราณนจดินยังนึกว่าบางส่วนใหญ่น่าจะแก่กว่านั้นก็แสดงให้เห็นถึงถึงว่าเมื่อมีบางช่วงชันทรมานพวกปุราณนจดินเนี่ยก็ใช้ฤทธิ์ใช้ฤทธิ์ตั้งทันนับเป็นรายคนนะฮนะสามพันห้าร้อยครั้ง แต่ถ้านับเป็นการแสดงเนี่ยคือเจ็ดครั้งเจ็ดห้าก็สามสิบห้านะกืนับว่าใช้ฤทธิ์แต่ละคนแต่ละคนแต่ะคนเนี่ยรวมแล้วก็สาม0ันหรอยครั้งถือว่าใช้ฤทธิ์มากที่สุดเช้เนี้ยใช้อิทธิวิธีเนี่ยเพราะคุณสมบัติที่เป็นเหตุให้เกิดฤทธิ์เนี่ยคือว่าพิสูจน์นั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลคำถามที่เราต้องตอบว่าเราบริบูรณ์ในศีนลอะไรอย่าง ถ้าไม่บริบูรณ์ในศีลคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะให้เกิดฤทธิ์แล้วประกอบทำเป็นเครื่องระงับจิตของตนได้บรรลุฌานได้่ะเพราะฉานมันจะเป็นบาตให้เกิดฤทธิ์พวกนี้ฌานไม่มีแล้วก็อยู่ด้วยฌานนะฌานไม่หืนห่างมันต้องฆ่าฌานก่อนจะเร็วนะเนื่องจากท่านจำนานเร็วแล้วประกอบวิปัสสนา มีปัญญารู้เห็นในสังขารธรรมทั้งหลายแล้วก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นเพิ่มพูนการอยู่ในสุญญากาศเพราะนันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือได้รูปฌานสี่ในรูปฌานสี่แล้วก็สามารถจะได้อิทธิฤทธ์บางระดับนะเป็นที่เป็นโลกิยะได้ในข้อที่สิบสามก็พูดถึงทิปโสตร จิที่วิชิแล้วก็มาที่ประโซดเลยอิทิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้ที่ประโซดก็คือหูทิพย์หูทิพย์ก็คือสามารถได้ยินเสียงได้ยินเสียงทั้งมนุษ ย, ย, ย์เสียงทิพย์เสียงใกล้เสียงไกลเสียงคลื่นเสียงจัตถีขนาดไหนก็ตามเมื่อมีพระประสงค์จะฟังก็ได้ยินคุยกันไกล ย, ยังไงก็ได้บางทีแม้แต่ความคิดนะ แม้แต่ความคิดยังเคยอ่านประวัติพระอาจารย์มั่นทิตจิงยังไม่เคยอ่านจบไปนะท่านเจริญมีปัสนาอยู่ที่ถ้ำสาลิกาที่นครนายกท่านกำหนดจิตมาดูเจ้าคุณอุบารีคณูปมาจารย์ในวัดประรมนิบาศว่ากำลังคิดเรื่องอะไรแล้วก็รู้กำลังคิดเรื่องอธิบายปฏิจจสมบาตอยู่แต่ท่านก็ต้องการทดสอบว่ามันจริงหรือเปล่า ก็ามาสอบถามวันนั้นวันนั้นเวลาเท่านั้นนะอาจารย์อยู่ในเรียบบทอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นกมองพิจารณาปฏิจจสมบัติใช่ไหมก็ปรากฏว่าต ร, รงกันอันนี้ก็คือพวกนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นระดับระดับญาณแล้วนะเป็นระดับญาณไปแล้วเปนท่านบอกว่าเสียงทิพเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไ ก, กลแล้วก็ใกล้ด้วยทิพยโสอันบริสุทธ์ล่วงโสตของมนุษย์ จึงหมายความว่าหูมนุษย์เนี่ยฟังไม่ได้แต่หูทิพฟังได้มันก็เหมือนกับเสียงทั้งหลายที่เต็มอยู่ทุกอนูนรอบตัวเราเนี่ยหูเราไม่ได้ยินะแต่เราเปิดวิทยุเมื่อไหร่เราก็ได้ได้ยินเหมืนอนกันเลยบางทีเราจะเห็นว่าอย่างโทรทัศน์นี่ก็มีทั้งทิ่ประโซดทัทง้ท ง, ท ง, ทงทงัทง้ทงทงัทง้งตาทิพต้องหูทิพเลยแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าวิสัยตาเนื้อนี่เราไม่เห็นภาพเต็มไปหมดอ่ะเราไม่เห็น และ ว, วิสัยหูหูเนื้อเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินแต่พอถึงมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเราก็ได้เห็นได้ยินสแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ทีนี้สมมติว่าญาติทวดแกจะฟื้นขึ้นมาแล้วเราบอกญาติทวดวันนี้ไอ้เครื่องเนี้ยกลมๆเนี่ยสามารถเปิดไ ด, ไมามาดม้มีเสียงได้ไอ้กล่องกลมๆอย่างเงี้ยสามารถเปิดแล้วก็มีภาพมีเสียงได้ญาติทวดไม่เชื่อ เพราะอะไรพราะท่านไม่มีประสบการณ์แต่พอเราเปิดขึ้นมาท่านจะทึ่งนะจะอศัศจรรย์นะจะตื่นเต้นนละอันนี้คือคือคือเรื่องเรื่องวิสัยมันเป็นวิสัยของเขาว่ามันเป็นวิสัยของวิทยุมันเป็นวิสัยของโทรทัศน์มันเป็นวิสัยของที่ประจักษสุอันนี้มันเป็นที่ประโซดหูชิดแล้วก็คุณสมบัติทรงใช้อย่างเดยม ในข้อที่สิบห้าเป็นการพูดถึงเจโตปริญานคือรู้จิตรู้ความคิดของคนอื่นอย่างนี้อย่างที่พระอาจารย์มัน่นรู้ความคิดของเจ้าคุณบาลีเนี่ยเป็นญาณคือเป็นเจโตปริยานคือรู้จิตรู้ความคิดจนอาจารย์มั่นเนี่ยท่านใช้มาระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าพระหนีหมดคืออยู่กับท่านไม่ได้ในสุดท่านก็ไม่ออกมาพูดคือคนที่รู้ความคิดเนี่ย มันจะเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะเพราะว่าดูสภาวะจิตของเขาในขณะนั้นว่ามีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะแนวตรงนี้ก็คือแนวของจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคนิเทศของเจโตปรยานก็คือนิเทศของจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าจิตมนุษย์มันก็เป็นอย่างเนี้ย เพียงแต่ว่าอยู่ในกุศลหรืออยู่แหนกุศลดูเฉพาะที่เป็นกุศลกับอกุศลเพราะไรเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรม ร, ธรมะรรมมาก็จริงมันคือรา ก, กับบาเพ็ญเพราะฉะนั้นจะแยกจิตเป็นชุด ๆ, ๆๆๆไปเรื่อยนะฮะจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้จิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้จิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้จิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้จิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านตรงนี้คือรู้จิตคนอื่นนะไม่ใช่รู้จิตเราพอรู้จิตเราที่จริงเราก็เจริญกรรมฐานเนี่ยเจริญจิตตานุปสรรคดูจิตเราก็เห็นอย่าหลอกตัวเองก็แล้วกันก็จะเห็นนะฮะ เห็นจิตเรามีราคะมีโทสะมีโมหะบางทีเนี่ยเวลากระทบกับอารมณ์ต่างๆมันก็จะเห็นกิเลสเกิดขึ้นที่จิตเรเียนธรรมะเกิดขึ้นที่จิตแต่เรายอมรับความจริงว่เาเออจิตตอนนี้เราคิดดีเราตอนนี้เราคิดไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นสามารถที่จะหลักปฏิบัติได้ว่าถ้าคิดไม่ดีก็กำลังคือข่มจิตเอาไว้ ข่มจิตในกรณีที่ต้องข่มบรรเทาจิตในกรณีที่ต้องบรรเทาห้ามจิตในกรณีที่ต้องห้ามประคองจิตทำจิตให้เบิกบานเบิกบานบันเทิงก็แล้วแต่แล้วแต่กรณีอะไรจิตฟุ้งซ่านก็อุทจจนะฮะจิตฟุ้งซ่านก็เป็นนิวจิตหถูก็เป็นธีนะมิทะหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหากรตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหากตะ จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าคือจิตที่ระดับชาิไปแล้วนะฮะระระดับสมาธิไปแล้วกออ็รู้ไปเรื่อยๆจนถึงก็แล้วแต่จิตในในแต่ละขณะือโดยโดยทั่วไปเราก็ดูระดับนี้ระดับนี้ก่อนระดับกออิเลสหลักก็คือราคะโทสะโมหะกับพวกนิวรนฮนะเพรานิวรนก็ดยเห็นนิวรนไอ้ส่วนโน้นมันต้องเป็นผลก่อน หมายความว่าจิตสงบก็ต้องรู้ว่าจิตสงบจิตปิดสมาธิก็รู้จิตเป็นสมาธิจิตพ้นก็รู้ว่าจิตพนะ้นอันนี้มันมันต้องไประดับนึ่งเมื่อจิตมันเดินมาถึงจุดนั้นจึงจะเห็นถ้าไม่ถึงมันก็ไม่เห็นอนะ่ะเพราะเป็นการดูจิตในแต่ละขณะทีนี้การรู้จิตอย่างนั้นแหละมันก็มีวิธีวิธีที่จะยกักย้ายเปลี่ยนแปลงนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างวันก่อนที่ว่า พระเจ้าทรงสแสดงธรรมแก่อุบาสิกาท่านหนึ่งคือหือไปคืออยู่ในธรรมบทนะอยู่ในพระธรรมบทอุบาสิกาท่านหนึ่งเนี่ยท่านในขณะที่กำลังฟังเทศอยู่ท่านก็ตื่นเต้นที่ได้ฟังธรรมเทศนาของพระเจ้าก็เปล่งสาธุสาธุสาธุอยู่เรื่อย ประยัพาชกซึ่งท่านอุปถัมภ์เลี้ยงดูอยู่แอบฟังได้ยินเข้าก็โกโรธออกมาถึงก็ด่าเลยดา่าแรงแรงมากท่านก็รู้สึกอับอายแล้วก็รู้สึกไม่พอใจมกควางเทสใจก็ไม่สงบพุ้เจ้าก็ดูเห็นว่าจิตไม่สงบก็รับสั่งไปไงใจใจไม่สงบใจไม่สบายเลยบาสิกาท่านก็บอกตามความจริงพระพุทธเจ้าก็รับสั่งตอนนี้ที่จริง ภยร่ำมากนะปาปเรสังวิโลมานินาปรเรสังอะกตากตังอัตโนวอาอเวกขยะกตานิอกตานิจบุคคลไม่ควรใส่ใจถึงคำที่ปราศ จ, จากอย่างอายของคนอื่นหรือสิ่งที่ทํา แ, แล้วและยังไม่ได้ทําของบุคคลอื่นแต่ควรตรวจสอบสิ่งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของตนเท่านั้น คือเราสูญเสียเวลาไปเพราะไปตรวจสอบคนอื่นซะเยอะยอยากอ่านข่าวคราวนังสือพิมพ์นะคือบางทีเนี่ยมันก็เรื่องด้วยกอคนเหล่านี้มันก็เป็นอาชีพอพู้ได้ละเลงขนมเบื้องด้วยปากไงมาผูดได้ก็ทําได้เก่งไปหมดเลยนะนักวิชาการทั้งหลายที่เขียนออกทางโทรทัศน์นี่เก่งไปหมดแต่งานทั้งหมดตัวเองไม่เคยทําเลย มันพูดได้นะพูดได้พูดเกง่งพูดเกง่งอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรแต่ไรคื อ, อยังนึกถึงคล้ายๆคนเชียวมวยนะฮะอยู่คางเวทีต่ออย่างนั้นต่ออย่างนี้นอกจากนั้นอย่างนี้มันก็พูดได้ะแต่ว่าขึ้นไปเวทีดูก็ทําไม่ได้อันนี้คือคือความจริงที่คนไม่ไม่ค่อยมองในประเด็นเหล่านี้ เช่นพูดถึงฝ่ายค้านวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างงั้นนี้ชื่นชมกับฝ่ายค้านมากฝ่ายค้านคือพิสูจน์อะไรตัวเองนะเปล่าว่าตัวเองเคยเป็นรัฐบาลตัวเองเคยเป็นรัฐมนตรีมีอะไรผลงานที่น่าประทับใจบ้างบริหารประเทศก็ทํางานนะไม่ใช่พูดนะไม่ใช่ละเลงขนมเบื้องโดยปากไม่ใช่คอยจับผิดคนนั้นคนนี้คนน้นแต่เป็นการลงมือทํา เป็นผู้กำหนดแผนกำหนดนโยบายแล้วกำกับให้เป็นไปตามแผนตามนโยบายภาคสนามไปรายละเอียดอีกเยอะเลยเกี่ยวข้องกับคนเงื่อนไขปัจจัยองค์ประกอบต่างๆอีกมากมายไกลกองแล้นเราเราก็ไปตรวจสอบบ้าก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทําได้หรือเปล่าบางการตรวจสอบตรงนี้ไม่ใช่ตรวจสอบเพื่อจับผิด แต่สวดสอบเพื่อเสริมเติมเต็มให้แก้ไขให้อวติการท่านนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนั้นท่านก็ทำจิตสงบได้ก็ฟังธรรมเทศนาบรลุโสดาปฏิพลมีอดีตเพร่จะคาดคนหนึ่งฆ่าคนมาเยอะวันที่ท่านกเกษียณเนี่ยนึกอยากจะทำบุญกานิบนประสานบุตรกับพระภิกษุ ที่ติดตามก็เรียกปัจจารสมาณะติดตามอ่ะพอถาวายพระตาหารเสร็จระษาดิบุตรก็เทศประเทศใจท่านคิดอ่ะท่านคิดฟุงสั้นไปถึงศพต่างๆที่ท่านฆ่ามาภาษาดิบุตรก็รู้ว่ารจิตถามว่าเป็นไงอุบาสกไม่สามารถทําใจสงบได้แหละท่านก็สารภาพความจริงภาษาดิบุตรท่านมีอุบายาวิธีก็ได้อุบายยวิธีนะฮะ การดึงจิตข้าหาความสงบเยแล้วก็ตัดไอ้ตัวกังวลออกไปไม่ได้ไปมินิฉัยตัวที่กังวลหัวถูกหรือผิดนะฮะแต่ก็มีวิธีพูดบอกว่ า, าการฆ่านักโทษทั้งหลายเนี่ยอุปสมบทฆ่าเองหรือว่าพระราชาสั่งให้ฆ่าทั้งก็กลับเรียนว่าพระราชาสั่งให้ฆ่าเอ๊แล้วก็ เมื่อพระราชาสั่งให้ข้าในอุบาสกต้องบาปด้วยหรือท่านก็ซื่อนะฮะท่านก็ซื่อท่านก็นึกว่าไม่บาปท่านก็ตัดไอ้พวกพกังวลอันนี้ออกไปได้เพระาะในการการทําจิตสงบปัญหาใหญ่คือปริโพเทคือเครื่องกังวลทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นอุบายวิธีนะฮะไม่ใช่ปฏิเสธว่าการเป็นเพชฌฆาตฆาคนไม่บาปเป็นอุบายวิธีที่จะให้จิตมันสลัดตัวกังวลออก แล้วก็จะได้สำรวมระวังในการฝังเทศจากนั้นท่านก็บรรลุมาผลเป็นประโสดาบันแต่มันก็แสดงอะไรให้เห็นนะครับว่าถ้าก็ตามมาส่งประสรบุตรจากเพชรคาตรุ่งเช้าขึ้นเป็นอุบาสกโสดาบันนะแจ้วก็ถูกโคคุดตายระหวังทาง ตอนกลับจากส่งภาษาริบุตรในทุกโคผิดตายก็โคก็ไม่ได้ผิดตามลําพังหรอกยักษินีเข้าสิงโคอีกทีหนึ่งผู้เจ้าก็ทรงแสดงให้ฟังเพราะว่ามันคล้ายๆกับถ้าภาษาริบุตรไม่ไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่ตายตอนนั้นก็คิดกันตอนนั้นที่จริงเนี่ยความตายมันหนีไม่พ้นเนาะเมื่อถึงเวลาเนี่ยภาษาริบุตรช่วยให้ท่านปิดประตูนรกได้จะซ้าไป เป็นผลกรรมซึ่งเกิดขึ้นมาจากท่านไปในชาติหนึ่งนะฮะท่านไปไปสมสู่กับโสเพณนีผู้ชายสามคนผู้หญิงคนเดียวก็ตกลงค่างเงินค่าทรับย์ิงเงินทองกันยังไงก็ตามเลนะฮะก็พระบรมรัชาลเนเบี้ยวไม่ใช่เบี้ยวเฉยๆคือไปฆ่าเขาตายด้วยแล้วก็ ไปริบเอาทรัพย์สินเงินทองเขาด้วยผลก็โกรธมากแล้วก็ผูกอาคาตจองเวรว่าจะขอล่างผลาญผู้ชายทั้งสามคนนี้ยตลอดทุกภพทุกชาติตอนท่านเหล่านี้มาเกิดในยุคพุทธกาลทั้งคู่นะฮะทั้งไปทั้งทั้งสามท่านแล้วก็ถูกโควิดตายทั้งสามท่านคนหนึ่งเป็นพระโสดาบันคนหนึ่งเป็นพระหรันคนหนึ่งเป็นพระนาคามีก็ เกิแสดงว่ากรรมมันก็ทําหน้าที่ของเขาอ่ะนะนกุศลกรรมก็ส่งจนถึงองค์หนึ่งเป็นพระหารคือพระพายะสารุจิรญาก็คยคงเคยได้ยินนะฮะอีกท่านหนึ่งก็คือปุกุสาติองค์นั้นเป็นนาคามีที่เป็นเหตุได้เกิดเรื่องกามณิตรสิทธิ์อะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเนี้ยนายโจรขาวแดงนี่จะเห็นว่ามันเกิดจากการรู้วารจิตของพระพุทธเจ้าก็ช่วยในการเทศองค์ภาษาริบุตรพระพุทธเจ้าก็ ก็ช่วยในการเทศเราทาให้ท่านได้บรรลุมรรคผลแต่ว่าบาปรกรรมในใครก็หยุดเขาไม่ได้หรอกบุญกา ร, รมบุญก็ใครหยุดเขาไม่ได้บาปก็ใครหยุดเขาไม่ได้ถึงคราวให้ผลขเขรียมแก่รอบถึงคราวให้ผลแล้วต้องให้ผลสภาพจิตละ่ะสภาพจิตก็จะเหมือนเดิมจนถึงโน้นนะจนถึงจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น บอกว่าพิสูจน์นั้นควรเป็นผู้กระทาให้บริบูรณ์ในศีลประกอบทำเครื่องระ ง, งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำชาในเขินห่างประกอบโดยวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญยาคารเหมือนเดิมนี้ก็มาถึงระดับที่ส4เป็นมาเข้าที่อภิญญาปธรรมเทศนาในแนวนี้เราจะพบว่าในทีคนิกายเนี่ยทินิกายจะทรงแสดงไว้เยอะก็เป็นนิพ ป, ปิยายนลยมตัว แสดงอย่างนี้ทุกทีไม่ว่าแสดงแก่ใครที่ไหนเมื่อไรก็ตามถ้าแสดงเรื่องนี้ก็จะแสดงอย่างเนี้ยทั้งฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นครั้ น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรูในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี